มีครอบครัวหนึ่งนะพ่อแม่ลูกลูกก็สสคนคนเล็กสุดก็อายุ6ขวบบ้านนี้ก็มีหมายอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ทั้งบ้านนี้ก็รักหมาตัวนี้มากนะชื่อเบลเกอร์โดยเพราะลูกคนสุดท้องเนี่ยชื่อเชนเนี่ยรักเบลเกอร์มากแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเบลเกอร์ก็ไม่สบายพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งเพราะนั้นเนี่ย ครอบครัวนี้ก็พาเบลเกอร์ไปรักษาเที่ยวเข้าเที่ยวออกคลินิกสัตวแพทย์เนี่ยอยู่หลายครั้งหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่ว่าเบลเกอร์ก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยอาการของเบลเกอร์นี่ก็หนักมากหมอก็ช่วย ฉีดยาบรรเทาปวดเบลเกอร์ก็หายใจแบบแผ่วๆหมอก็เลยบอกครอบครัวนี้ให้มาดูใจเบลเกอร์ทุกคนก็มามาดูใจมาให้กำลังใจเบลเกอร์โดยพ่อเนี่ยเชนเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนเล็กนี่ คอที่เบลเกอร์ใกล้จะหมดลมแกก็เอามือลูบหัวเบลเกอร์เบ า, บาๆแล้วก็พูดอะไรบางอย่างตอนนั้นเนี่ยคนที่บ้านนี้พ่อพ่อแม่นี่ก็ห่วงนะว่าเชนนี่จะรู้สึกอย่างไรถ้าเบลเกอร์ตายเพราะว่าตั้งแต่เชนเกิดมานี่ก็เห็นเบลเกอร์แล้วเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่กันมาตลอดแล้วพ่อแม่ก็สงสัยนะว่า เชนจะรู้ไหมว่าเบลเกอร์กำลังจะตายเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเด็กเด็กจํานวนไม่น้ อ, ย, นอ ย, นยก็ไม่รู้นะว่าความตายคืออะไรสุดท้ายเบลเกอร์ก็ตายตอนที่เชนร่วบเบลเกอร์าตายนี่บอกว่าเขาก็ไม่ได้ร้องไห้ฟุมไฟนะที่บ้างยังแปลกใจเลยทําไมเชนนี่สามารถยอมรับการตายของเบลเกอร์ได้อย่างง่ายดาย ไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจไม่ร้องหม่มร้องไห้เลยพอทำพิธีสบเสร็จนะก็ครอบครัวนี้ก็มานั่งคุยกันก็คุยกันถึงเบลเกอร์นะเราลึกถึงความหลังว่าเบลเกอร์หมาตัวนี้นี่เขาได้ทำอะไรมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับครอบครัวนี้บ้าง แล้วก็มีประเด็นหนึ่งมีคนพูดขึ้นมาว่าเนี้ยทำไมหมาเนี่ยนะจึงมีชีวิตสั้นอายุสั้นกว่าคนเราก็มีการพูดประเด็นนี้นะจโจแชร์เนี่ยซึ่งเนียมาตลอดเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าผมทราบครับว่าทําไมแม้วคนก็แปลกใจนะเด็กตัวน้อยนี่ รู้ได้ไงนะว่าทำไมหมาเนี่ยจึงมีอายุสั้นกนว่าคนเพราะเด็กก็ไม่เคยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร่เบเชิญก็อธิบายนะว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าคนเราเกิดมาเพื่อรู้จักการมีชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเช่นทำความดีเ อ, อเื้อฟอเผื่อแผ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย หมานี่มันก็รู้ดีแล้วรู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนเออเป็นคำตอบที่หลายคนไม่คาดคิดนะแล้วก็เป็นคำตอบทีนะ่ให้ง่ายคิดกับผู้คนด้วยหมานี่มันรู้นะว่าชีวิตที่ดีคืออะไร นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จะไม่ต้องอยู่นานเหมือนคนนะทำไมเชนึงรู้ว่าหมาเช่นเบลเกอร์เนี่ยรู้ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรก็เพราะเข้าเห็นเบลเกอร์เนี่ยได้ทำตัว หลายอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขารู้ว่าชีวิตที่ดีคืออะไรเช่นมีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากวันๆหนึ่งไปวิ่งเล่นก็มีความสุขละหรือว่านั่งพักใต้ต้นไม้ก็มีความสุขละ ไปเดินเล่นนะกับเจ้านายกับเด็กๆ ก, ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเรียกไม่เรียกร้องไม่สะสมอะไรนอกจากมีชื่อที่เรียบง่ายแล้วก็รู้จักความสุขแบบง่ายๆแล้วหมายอย่างเบลเกอร์ก็ยังมีน้ำใจนะเ อ, อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเอผื่อแผ่แล้วก็ใส่ใจนะคนรอบข้าง เวลาเจ้านายมีความเศร้ามีความกังวลเบลเกอร์ก็มานั่งอยู่นิ่งๆเป็นเพื่อนไม่เรียกร้องความสนใจไม่เรียกร้องความเห็นใจแต่ว่ากลับใส่ใจกับเจ้านายที่กำลังทุกข์และบางทีก็เอาจมูกเนี่ยมาดุนใกล้ๆนะมาดุนอย่างอ่อนโยนเพื่อให้กาลังใจและนอกอย่างนั้นเนี่ยนะ เบลเกอร์เนี่ยนะก็ยังมีความอ่อนโยนอ่อนโยนไม่ใช่ต่อคนอย่างเดียวนะอ่อนโยนต่อสัตว์อื่นๆจะเป็นนกจะเป็นแมวก็เป็นมิตรด้วยนะเดี๋ยวพักกับคนไปแล้วเนี่ยโอ้อ่อนโยนมากเช่นบอกเนี่ยเบลเกอร์เขารู้จักการมีชีวิตที่ดีแสดงให้ดู ให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยเบลเกอร์ม่จำเนต้องอยู่นานก็ได้เพราว่าคําพูดของเชนเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องอายุแค่หกขวบเนี่ยนะโอ้มันทให้พ่อแม่เนี่ซาบซึ้งมากได้เรียนรู้จากลูกมากทีเดียวนะว่าชีวิตที่ดีนี่คืออะไรนะแล้วก็ทาให้ได้คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อการมีชีวิตที่ดี ชีตที่ ด, ดีไม่ใช่อยู่ดีกินดีนะแต่มาถึงการทำความดีการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้พอมอ่ น, นี้ได้เรียนรู้จักลูกมากเลยนะส่วนลูกนี่ก็เรียนรู้จากอะไรนะเรียนรู้จากใครก็เรียนรู้จักหมาต่างเรียนรู้นาะจากกันและกันนะเด็กก็เรียนรู้จักหมาส่วนผู้ใหญ่ก็เรียนรู้จากเด็กเออนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนอกจาก คำถามว่าเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยเรายังสามารถเจเรียนรู้จกักทุกสิ่งทุกอย่างได้เด็กเขาฉลาดเขาก็เรียนรู้จากหมาท่านผู้ใหญ่ฉลาดก็สามารถเจเรียนรู้ทั้งจากหมาแล้วทั้งจากเด็กได้นะไม่ใช่เรียนรู้จากศาสตราจารย์เรียนรู้จากาผู้รู้อย่างเดียวจริงๆเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะมันสามารถจะให้อะไร แกเรามากมายไม่ใช่แค่ความสุขแต่ว่าข้อคิดรวมทั้งฝึกฝนให้เรานะได้รู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยอย่างแมวเนี่ยนะเขาก็สอนเรานะเรื่องการทําความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่คาดหวังเราเลี้ยงแมวแต่ว่าแมวบางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเราเรียกก็ไม่มา เราก็ไม่โกรธอะไรเลยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้หรือรู้สึกนี้กับคนอื่นบ้างเวลาเราไปช่วยใครเราเขาไม่สนใจที่จะตอบแทนเราหรือบางทีไม่เห็นความดีของเราเลยก็ไม่น่าจะทุกข์คนที่เลี้ยงแมวเนี่ยนะแมวไม่สนใจเจ้านายเจ้านายก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแถมยอมตัวเป็นทาสแมวฉิบนะงันถ้าเราทำความดีกับใครแล้วเขาไม่ ไม่ตอบแทนความดีของเราหรือไม่ช่วยเหลือเรากลับคืนก็ไม่ควรที่เราจะทุกข์อะไรเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากแมวได้นะแต่ว่าคนหลายคนเลี้ยงแมวนะีแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรจากแมวเลยเหมือนกันที่หลายคนเลี้ยงหมาแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากหมาเลยอันนี้ก็น่าเสียดาย